ของพระพุทธเจ้าเป็นโอปนายโกน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจของเร า, าส่งออกไปในใจธรร ม, มาเป็นทางที่จิคตาสอนของพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นโดยตาที่ได้ยิน้วยหูก็น้อมเข้ามาที่เจรินาทางใจเพื่อแก้ไข ในใจของเราปล่อยวางหรือเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นแต่ส่งออกไปทั้งนอกมีแต่ทางหลงมีแต่ทางจิตทางข่องแต่น้อมเข้ามาภายในพิ่เจรณาใจาใจของตนเกี่ยดกัวสิ่งเหล่านั้นความหลงพองน้าวันที่จะเบาบางไปเป็นเหลืองสําระแก้ไขตัวเอง ทำทีทเดียวว่าโอปะนะเ ย, ยโกเป็นอย่างนั้นนักปฏิจจตังจะเห็นขึ้นประชากนได้ยินได้เห็นอย่างนั้นแต่รูปที่เคยชอบเคยติดเคยกำหนัดยินดีมันก็จะปรุงจะคิดไปในรูปนั้นว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้เป็นเรื่องของราคะกำหนัดยินดีอยากกอดอยากจูบไปถ้าหักน้อมเข้ามารูปนั้น อะไรกันผีดเป็นรูปธาตุสี่ใช่ไหมดินน้ําไฟลมเขามีอย่างไรเรามีอย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เขายินดียินร้ายกับใครเราไม่เห็นมันก็มีอยู่แต่เราไปเห็นเขาทําไมไปติดเขาไปสอบเขาไปเผื่อเพินตามเขาเป็นเหลืองปัญญาส่จะแย่แ ย, แย่ที่จะไรนานสอนใจท้องตนเสียงก็เหมือนกัน เราไม่เกิดมันก็มีอยู่อย่างนี้เราเกิดมามันก็มีอยู่อย่างนี้เราตายไปมันก็จะ้องมีอยู่อย่างนี้รูปเสียงจึงไม่ขาดจากโลกคนที่ไม่มีปัญญาก็เลยหลุ่มหลงว่ารูปอย่างนั้นเสียงอย่างนี้ติดห้องและม่เชียงพอสักวันสักคืนได้มาเทอรไรยิ่งยาได้มากตขอไปเหมือนไฟที่มีเชื้อมีเท่าไรยิงใหม่ลุกเรวใหญ่ขึ้นไป นอมาเป็นโอปนาหยิโกพิจารณาเทียบเขาเทียบเราพิจารณาแยกทายลงไปใจจะปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกศัตรูต่อใจนี่แต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอัดเป็นธรรมเป็นส่ส่งเสริม <c oughs> จิตใจให้รู้ยิ่งเห็นจริง <c oughs> เรื่อยไปนี่ผู้พิจารณาทําเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรขัดข้อง เห็นได้ยินเป็นอัจเป็นทรรม้ัวไปมีหมายถึงผู้ที่ฉลาดรู้จักทมเหมือนหมอเขาไปเห็นไม่อะไรควรจะเป็นยาแก้ไขโรคชนิดใดเขาก็รู้จักเพราะเขาเเป็นหมอทาไม่เป็นหมอถึงจะไปเหยียบไปทักอยู่ที่ สัวนยาที่วิเศษขนาดไหนก็ไม่ส์สาวว่ามันแก้ไขอะไรได้มีพวกเราที่มืดอยบอดที่ไม่มีสติปัญญาในธรรมะ <c oughs> เห็นอะไรก็ไม่น้อมนำมาพิจะะารณาเพื่อแก้ไขกิเลสตัญหาของตัวยิ่งจิตของเสามองเลื่อยไปไม่มีวันเบาวันสบายวันเบือ่อวันหน่ายเหล่องความของโลกของสงสารยังยินดีเพิดเชิญอยู่เรื่อยไปเพราะสิ่งที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นก่อนเสามอง เลือดร้อนเผาตัวเองตัวตัวก่อไฟจะไม่เห็มันร้อนมันก็ไม่ได้ก่อไฟเผาตัวเองฐานธรรมะเป็นทางแก่ไขดับไฟที่เกิดขึ้นจากใจของตัวดับได้เท่าไรก็ยิ่งยันสบายไปเท่านั้นฉะนั้นจึงเจริญนาโอกาสเวลามันเหมาะแล้ว อันอื่นมันสงบหมดแล้วเลือดใจใจที่มันปุงมันฝุ่งมันคิดมันวางในโลกอันนี้โลกาาก็ไม่จิตเราเราไปจิตโลกจิงแจะตัวของเราแต่แจ่ตัวของเราได้อันอื่นมันก็หมดปัญหาจะมีอะไรที่จะมาทับผมการแจกใจจิงเป็นหนักหนีของพวกเราทุกท่าน ควรที่จะเรนาแก่ปล่อยวางได้ก็พอะเห็นเหตุผลเพียงพอแต่มันละเองวางเองเพอมันอิ่มมันพอที่จะรนาทว่าถึงมันเป็นจริงอย่างนั้นจะฝ่าพื้นไปอย่างไรมันไม่ฝ่าฟื้นถ้ามันเห็นตามเป็นจริงสัญยอมจำนวนนี่มันไม่เห็นตามเป็นจริง มีสัญญาญุปรากเกิดขึ้นในใ จ, จิตในใจจะเทียบกับจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือพระ อ, อรหันต์อรหันต์กับจิตใจของผู้ทุกชนธรรมดาอย่างพวกเราก็เหมือนกันก็ว่าผ่านเห็นพวกเรานี้เป็นพวกผิตยิปริตรูปสติในสมบูรณ งั้นพวเราเห็นคนตีเจ็ดกริกไอ้หอบไปหิวโอ้ข้อนที่ไหมครหอบควรเหิวไปตีแบกบไปหามโอ้สิ่งทีไอ้ควนแบก ค, น, บบคนหามว่าเป็นของดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีจิตกุศลชนคนหนาทำไรไดาก็มักจิตทำนอง น, นั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าขันละขันถรนเราถือว่าเป็นของดีวิเศษถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าแต่พระพุทธเจ้าขันละขันทร ท่านไม่ถือไม่ยึดท่านปล่อยท่านวางท่านชิงเราถือเอาของสิท่านชิงว่าเป็นของดีวิเศษยิตปกติธรรมดาผุ้ทุชนคนไหนเป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดยึดอยู่ในสิ่งที่ท่านไม่ให้ยึดถือในสิ่งที่ท่านไม่ให้ถือจิเจรณาหเห็นตามเป็นจริงมันปล่อยไปวางไปใจิตใจที่เป็นผุ้ทุชนนั้นนี่แหละ ท่านฝึกให้เป็นอริยเจ้าหใจท่านเป็นอริยเจ้ามาแต่วันเกิดท่านพิจารณาอย่างไรท่านจึงแกไขเรื่องของใจให้หลุดไปได้ก็ต้องพิจารณาตามร่องรอยของท่านข่าเขียนว่าเราดีวิเศษกว่าพระพุทธเจ้ามันก็ไม่มีทางศึกษาไม่มีทางละทางถอนอะไรที่เราถือว่าเป็นข้องดีแล้วทิ้งไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้ ใครแต่เนี้ยสอนเท่าไรก็ยังยึดยังถืออยู่นั้นเพราะเราถือว่าเราดีกว่าเขาเขาสู่เราไม่ได้ความคิดความถือของเรามันมีอุปท า, านยึดถิอ <c oughs> เป็นเหมือนใดเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นจริงอย่างนั้นไม่ดีมีคุณค่าอะไรทําตัวของตัวให้เศร้าหมองทําตัวของตัวให้เดือดร้อนเป็นคนขี่ เขาเบาปัญญาที่ไปยึดไปถือคนรู้ทั่วไปสันจะต้องละต้องวางต้องปล่อยทิ้งเห็นเป็นจริงในจิตในใจของตัวมันก็ปล่อยไปไม่ยึดในสิง่งนั้นในทางที่จิตต้งเห็นอย่างนั้นมันจึงปล่อยได้แต่ยังสําคัญว่าเป็นของดีอยู่ปล่อยไม่ได้จิตจิตปล่อยวาง จิตที่รู้เห็นในทางธรรมะจิตจับสัญญาการจํามาคือสัญญายังจํามาแต่ปัญญาเห็นแจ้งจากการประเทืปฏิบัติของตัวจากการละการถอนของตัวมันปล่อยได้พอเห็นว่าเป็นไทยเหมือนกันกับคนที่จับ อาซาลพิทเข้าใจว่าเป็นของดีวิเศษเป็นของอ ร, อร่อยเป็นอาหารยอดไม่เข้าใจว่าอาซาลพิษไม่เข้าใจว่าเมื่อมันกัดสอยตัวแล้วตัวจะได้รับความทุกข์ถึงตายเพราะทาบเพราะว่ า, อ, วาอันนี้ในใจอาหารในใจของผิดจะควรจับ เห็นแบบเป็นของอสราทิศจริงจังแล้วปลอยทิ้งไม่อาไลาอาวอนเพราะถ้าเก็บไว้จะแต่ต้องตัวอสราทิศเข้าอีกมันจะจัดเราจะทำเราให้ตายคนสิตรักษาอวัยวะคนสิตรักษาชีวิตเป็นอย่างนั้นจิตใจของทัน ท, น, น, ทนที่มีอัตนีธรรมเห็นจิเลตัญหาเห็นความยึดถือของใจซึ่ง เป็นฝ่ายชั่วต่างๆฉันเห็นเป็นอสรรพิษโลภโกรหลงเป็นของแปรปรวนใจเป็นพิดเป็นภัยในก่อภบ ก, อบกอ่อชาติฉันเห็นไปจากชัดเจนฉันจึงละเรื่องเหล่านั้นตกออกไปจากใจของฉันด้วยปัญญาความเห็นแจ้งใช่ไหมใช่ฉันละจากการจําละจากการ คิดสุ่มเดาคือมันเพียงพอในการที่นิพิจารณาของฉันความรู้จะมาตัดสินเกิดขึ้นจากการที่นิพิจารณาของฉันเหมือนกันกับเราตัดต้นไม้ตัดไปตัดไปเรื่อยๆไปฟันไปเมื่อมันขาดแล้วยูไม่ ไ, ได้จะต้องลม้มอย่างนี้ สิ่งอื่นเกาะดังบนมีการพิจรารณาอัดทำแบบพิจรารณาเทียงพอก็ทําน้องตัดต้นไม้ไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่มันจะต้องปล่อยวางของมันเองคือมันพอในตัวของมันมัดเป็นสิ่งที่พวกเราทุกท่านจะควรทําให้มากเพราะทำได้ส่วนผล จะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นเป็นเรื่องของผลเหมือนกันกับตัดต้นไม้ตัดเรื่อยไปมันจะล้มเมื่อไรเป็นเรื่องของมันแต่เมื่อตัดเมื่อฟันเลยหยุดในถอยล้มลงได้หกักลงได้พังลงได้มีการที่เจเ้านาอัดทำซึ่งเกี่ยวกับมากก็เหมือนกันที่เจ้นาเข้าไปอย่าหยุดอย่าถอยกำหนดเข้าไปอยา่าปล่อยให้ออกกระชังนอกจิตใจที่เคยลื้อดึง เกี่ยวขวงในสิ่งต่างๆหรือจิงหร่อจิตที่ครฟุ้งรุงมันก็จะสงบลงรวมถากันลงรวมถ้ากันวิปัสสนามันก็จะถอดถอนปล่อยวางแต่พิาจารณาไม่หยุดไม่ถอยนั่นคือผลเกิดขึ้นจากการแตะทำผลมันเป็นเองแล้วเราใจเห็นว่ามันเป็นอย่างไรแต่ก่อนกับเยือนี้ มันก็พิโูจน์ได้เพราะแต่ก่อนมันเคยติตเคยข่องเคยปุ่งเคยปุุงเคยแฉดเคยเผาลออย่างไรเมือมันปล่อยมันวางมันลงมันรวมแล้วก็รู้ธรรมะมาเป็นสันติสีขโภเป็นแตจัจต่ังทุกคนที่ประพืกปฏิบัติจะต้องเห็นเองต้องรู้เฉพาะจิตใจของตัว กาปรปฏิบัติเป็นของสำคัญยังไม่ถึงฝั่งเมื่ อ, อไรแล้วอยาใไปนอนใจฝั่งของโลกฝั่งของกิเลฝั่งขอ ง, ง, ของนิพพานมันผิดกันฝั่งนั้นกับฝั่งนี้พยายามทม จะต้องใายกำลังที่นี้ที่จะได้นาจถามถึงฟัง่งจะรู้จักหมดปัญหาที่เคยสงสัยในจิตในใจการปฏิบัติธรรมทือว่ามนุษย์เป็นผู้ที่มีโอกาสดีเป็นชาติที่สมควรแก่การตั้งรู้ เป็นชาติที่องควรในการสั่งความดีเราพุทธเจ้าสมัยเป็นโพธิสัตว์ปฏิบัติอาจธรรมเมื่อลมหายายไปได้ยไปเกิดสวรรค์แล้ไปเกิดในชั้นต่างๆอายุยืนยงคงอยู่เป็นเวลานานเสียวเวลาสั่งบาราีขออธิษฐานมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเกิดจะได้สั่งบาราีเพิิมปูนนี่เราโชคดีที่เป็นมนุษย์ สมควรอย่างยิ่งที่จะตั้งหน้าต่างตาสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มฐานหาวงพ่อใช้เจ้ามีปังๆอายุยืนยงคงอยู่เป็นเวลานานเสียเวลาสร้างบารมีขออธิษฐานจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะได้สร้างบารมีเสิ่มปูน นี่เราโชคดีที่เป็นมนุษย์สมควรอย่างยิ่งที่จะตัง้งหน้าตัางตาสร้างบารมีให้เต็มคี่เป็นฐานเราก็คืใช้เจ้าขันมาสร้างอยู่ที่ชาติมนรรุษย์ตอนที่จะศัตรูก็มาตัดที่ชาติมนุษย์อีกเหมือนกันฉะนั้นพวกเรา ทุกคนจึงไม่ควรตำหนิตนว่าเป็นคนที่มีวาสนาตำ่ำเป็นคนที่มีวาสนาสูงแล้วเร่งขาวเทียนพยายามมาพฤสปฏิบัติให้เห็นให้เจนให้รู้ทำที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนรสชาติของอัดคำเป็นอย่างไรจะประทับใจของตัวเองโดยการเห็นการสัมผัส จากการประพฤตปฏิบัติโอกาสเวลาสุข่างกายของเราเขาก่อให้โอกาสคือเหม่มีการป่วยไขย้ยังพอจะทำผลงานความดีได้ตามความาตาหมาท้องตัวอยู่ถ้าเกิดป่วยไข้ เจ็บหนักก็ไม่มีโอกาสจะมาประพึกปฏิบัติอัจทำแน่ต่อยู่กับที่ก็ยังทุกอย่างลำบากในทุกขาเทสนาอยู่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างพอจะบึกจะบืนพอจะจะทำบําเพนพอจะแนะสอนตัวให้เร่งทำุณงานความดี มาจากกรุงเทพมานี้ก็ไม่ใกลไกลเป็นระยะทางไกลและข่ารถขับเรือหรืออะไรต่างๆต้องเสียสละเพื่อจะมาฝึกอบรมใจของตัวเพื่อจะหาความสุขเกิดขึ้นจากธรรมชาติคืออัตธรราะอยู่ในสถานที่กรุงเท พ, าพตามสงบสงัด พอไม่พอใจนึพอเมืองใหญ่ใช่มที่พระพุทธเจ้าทรงพระอยู่หรือสอนสาวกก็ให้ออกสแสวงหาเสนาสนาป่าหาที่วิเวกตัวของพระองค์องเองก็เป็นอย่างนั้นถึงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วการสร้างวัดท่านกจ็จะถ า, านที่ห่างไกลจากชุม น, นุมชนเพราะจะได้อยู่สะดวกสบาย เรามาไกลขนาดนี้สถานที่ก็มีเหตุพอสมควรกัางวันอยากจะเดินจงกลมร่มเงาก็มีทั้งคืนอยากจะเดินจงกรมไปที่เราจะตามดูถนนท้องทางเดินจงกรมก็ยังมีอีกนอกนั้นแสงจันทร์ก็ยังส่งให้สว่างสวยในเรื่องทำอยังขาดทุนผลกำไรโอกาสเวลานา น, านๆเป็นข้อยมีที มีโอกาสดีมาขขปฏิบัติบางทีก็เกิดขัดข้องเพราะร่างกายอำนวยให้หรือบางทีการงานก็ยุ่งไม่มีโอกาสที่จะมาเวลามาถึงเวลามาได้ผรีบกออปวยตัดตวงเอาเต็มทีดเต็มฐานอันได้รับความสุขความสงบความสบายของใจธรรมะเดือน อยากจะให้ทุกคนมีความสุขเพราะความสุขเกิดจากธรรมะเป็นความสุขผีดวิเศษประเสริฐเนความสุข <c oughs> เหมือนทางโลกเป็นความสุขผิแน่นอนเป็นความสุขผีดตายตัวเป็นความสุขผิดเชื่อยขึ้นดักเป็นความสุขผีดน่าปลาดถั่วไปกันเละเสริมเรามีโอกาสเวลา <c oughs> มา อบรมก็ฝึกอบรมตนตามตามสามะวันจะได้จะเก็นจะเห็นจะรู้อะไรก็ให้รู้ให้เห็นเราจะในขาดทุนสุนกาไรในการไปการอยู่ของเราในอย่างนั้นมันจะเสียวันเสียเวลาเปล่าวันคืนหลวงไปหลวงไปจิตใจก็ยังไม่เห็นดีเด่นอะไรผนที่สุดชีวิตหลวงไปก็จะเสียใจขาคุณความดีอะไรผิด เรามีที่ิอยู่เราไม่เด็งรีบเร่งแต่ทาบําเพ็ญอยากจะมีตัวเองเพราะตัวไม่ฝึกไม่อบรมไม่รีบเร่งหาได้หาเห็นหาเป็นหารู้ในตัวจริงจังแล้วจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นเล็บอยู่กว่าตานไม่มีห่วงมีห่วงในการลมหายตายไป ว่าไม่ต้องควรแก่การแก่สมัยยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ท่านไม่ได้คำนึงคํานวณท่านไม่ได้ห่วง เ, เพราะเหตุใดเพราะจิตใจของท่านสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนี่เท่าแก่ขนาดไหนอาอยุตัง 80, 90, 90, 100, ้งแปดสิบสี่สิบสีรอยปีก็ยังห่วงยังห่วงยังร้องไห้ยังเสียใจยังอะไรในชีวิตเพราะความดีอะไรยังไม่มี ยังอยากจะมีชีวิตก็สร้างคุณความดีต่อไปอยู่ยี่คือความยังไม่สมบูรณ์ในตัวเป็นอย่างนั้นถ้าสมบูรณ์แล้วมมนเป็นปัญหาจะไปเวลาใดยินดีเตืนใจอยู่เสมอท่านสะดวกสบายอย่างนี้ฝึกปฏิบัติ ด, ดีถึงอัดถึงทำดัะนั้นเราทุกท่านเมื่อใดสะดับรับฟังธรรมะครสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่อธิบายมานนี้ <c oughs> จงนำไปที่นิีพิจารณาฝึกกายวายใจใจของตนต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญสมความมุ่งมงั่นศาสนาการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเจริลาเววัง